เมื่อกี้ถามหาอาสาสมัครว่าใครจะเป็นผู้อาสาสมัครตอบคําถามหลวงพ่อยมกิจก็เป็นอาสาสมัครไปแล้วเดี๋ยวหน้าแหกหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอบตอบตอบตอบเชิเลยค่ะตั้งใจค่ะตอบตอบก็ไม่เป็นไรก็หลวงพ่อแล้วก็ตอบบนบนพื้นฐานของของข้อเท็จจริงความเป็นจริงอ่ะเนาะเพราะว่าถ้าโกหกอะเดี๋ยวคือถ้าโกหกนะเดี๋ยวพุทธทารู้เองแหละ ใช่ค่ะครับคือตอบที่เราเราปฏิบัติมาฮะหลวงพ่อครับว่า <Okay. S 2> เออผมก็ไม่ทราบว่าจะตอบตอบเอ่อถูกตามความความความของผมนะตามใจของผมนะฮะออตามตาม <Okay. S 2> ที่ทราบนะฮะออครับเอาทีนี้เดี๋ยวหลวงว่าเริ่มถามเนาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะตั้งแต่เมื่อเช้าชนะตั้งแต่เมื่อเช้าเอาตั้งเมื่อเช้าหกโมงจนถึงเวลาเนี้ยเข้าห้องคลับกี่ห้องเข้าห้องคลับเหรอฮะเออไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าฮะไม่เข้าใช่ไหม อ๋อไม่ได้เข้าห้องไม่ไม่ได้เข้าห้องไหนเลยนอกจากห้องนี้เนาะใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วเข้าห้องของพ่อกี่ครับเ <c oughs> ข้าห้องก็คือเข้าไปป๊อปแล้วก็ออกเลยพอดีมีธุระไปทําฟันนะสองครั้งเนาะเพิ่งกลับมารวมถึงครั้งนี้นะส อ, องครั้งเ<ล>นาะก็ครั้งนี้ครั้งที่สองเดีวไม่ได้ฟังนะครับป๊อปแล้วก็ไปเลยครับก <c oughs> ็ออกไปเลยครับเออใครเข้านะเราลืมไปล้ เออจริงๆแล้วเกือบกือบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเออรู้ว่าผมคือคือเออคือไม่ไม่ใช่ผมนะฮะคือคือรู้ตัวมีสติอยู่โอเคโอเคมีความต่างกันไหมรู้ตัวว่ามันมีความแตกต่างกันไหมการตอบคําถามตอนตอนแรกกับตอบคําถามตอนหลังมีความต่างกันยังไงหรือเปล่า คือคือตอนแรกนี่คือคือแบบว่าจะตั้งใจฟังคือคือแบบว่าคือใช้สตินะฮะว่าจะฟังจะถามว่าหลวงพ่อจะถามว่าอะไรคือคือใช้ความคิดนะตั้งใจคิดนะฮะแต่แต่พอสักพักหนึ่งก็จะรู้ตัวฮะว่าเวลาพูดไปปุ๊บนี่ก็จะรู้ตัวว่าเรากําลังพูกําลังถามแต่หมายหมายว่าตอนตอนประโยคแรกที่หลวงพ่อถามว่าเข้าห้องครับเอ่อเข้าห้องครับที่บอกว่าวันนี้เข้าห้องครับ กี่ห้องหรือรเข้าประมาณนี้นะแต่ตรงนั้นโอเคหลวงพ่อผ่านไปแต่พูดถึงเฉพาะเข้าห้องครับที่ที่เป็นของหลวงพ่อเนาะเลยถามว่าเข้ากี่ครั้งโยมก็ตอบว่าสองเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้ฟังแต่ว่ารวมแล้วคือเข้าสองนะครั้งนี้่ขับที่สองโอเคนะจริงๆนี้พอหลวงพพ่อถามต่อเหมือนกับย้ำย้ำว่าใครเข้าห้องนะแล้วก็ตอบขึ้นมาครับ ความหมายตอนแรกกับความหมายครั้งที่สองเนี่ยมีความต่างไหม น, น่ะการตอบครั้งแรกกับตอบครั้งที่สองต่างกันครับครั<ะ>้งแรกนี่คือใช้ใช้ความคิดจริงๆเพราะว่าตั้งใจที่จะฟังอ่ะฮะมีสติในการคือสติสติของเรามันมีสติทางทางที่ใช้ในการทํางานโอเคนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลวงพ่อถามก็กคืออย่างนี้คือคือหมายความว่ า, วาการตอบครั้งแรกตอบครั้งแรกเนี่ยก็ตอบไปแล้ว พอตอบครั้งที่สองเหมือนกับว่าหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับถามย้อนไปนิดหนึ่งใครเข้านะนะตรงเนี้ยเห็นความแตกต่างของตัวเองไหมว่าครั้งแรกเป็นยังไงครั้งที่สองเป็นยังไงเป็นเห็นเห็นแตกต่างเลยครับหลวงพ่อเพราะว่ า, าครั้งแรกนี่ ค, คือเราไม่เห็นตัวเราไม่เห็นตัวเรานะฮะคือก็คือเป็นตัวเราเต็มเต็มเลยเพราะว่าเออจะมีคือเหมือนว่าเป็นตัวเราเต็มเต็มเต็มว่าจะตั้งใจว่าฟังหลวงพ่อว่าจะถามอะไรแต่ครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยตอบไปแล้วนี่นะฮะจะรู้สึกว่า มีมีมีมีอีกคนหนึ่งมันคือเราจะรู้ว่าเรากําลังตอบอะฮะข้อครับโอเคมีความแตกต่างก็ถูกแล้วตต่างนะแตกต่า ง, นะตตางอ่ามันแตกต่างกันคือหลวงพ่อจะเดี๋ยวหลวงพ่อจะจะขยายเองหรือจะให้โยมปิดขยายเองเนาะว่าในออในชีวิตหลว่อดีวดวกว่าเออหังนี้หลวงพ่อขยายแล้วกันนะคนอื่นก็ฟังไปว่าครับคืออย่างนี้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้พิจารณา ไม่ได้พิจารณาคือจะพูดก็พูดจะทําอะไรก็ทําเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีความแยบใครในคําพูดของเราเองหรือว่าไม่ได้แยบใครในสิ่งที่เราพูดทีนี้พอเราไม่ได้พิจารณาอย่างแยบคครเนี่ยความหลงผิดเนี่ยมันก็จะบังเกิดขึ้นอย่างของโยมกริชพอถามประโยคแรกปั๊บเนี่ยถามเกี่ยวกับการเข้าห้องคลับเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเราถูกถามไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าตัวเราคือ คือมันตัวเราเป็นถูกถามใครว่าลึกๆอะลึกๆอะคือตัวเราเป็นสิ่งถูกถามไปแล้วชื่อว่ากลิ่เนาะอันนี้คือลึกๆแต่เรายังมองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่ได้พิจารณาแล้วก็พอบอกว่าเข้าห้องเนี่ยอีก ค, ครั้งก็หมายถึงตัวเราอีกนั่นแหละเป็นผู้เข้าห้องเนาะแล้วก็ตอนนั้น<ด>ก็ยังไม่รู้ว่ามันเพราะยังไม่ได้พิจารณานี่แต่พอตอนหลังหลวงพ่อถามว่าใครนะตรงเนี้ยเอกใจขึ้นมาแล้วเกิดความแบบรู้สึกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะเกิดการ เหมือนกับว่ามันมันสะดุดไปอะนะเอ๊ะพอหลวงพ่อใช้คําว่าใครนะตรงเนี้ยเริ่มมีการพิจารณาเริ่มมีการแบบเขาเรียกว่าไข้ควรแล้วจนรู้ว่าอ๋ออ๋อก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกคล้ายๆว่าเราตอบไปแบบด้วยความเป็นตัวตนแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเริ่มรู้ตัวว่าเออวุ้ยมีประโยคแบบนี้แสดงว่ามันทําให้เกิดสติเกิดความระลึกได้ขึ้นมาว่าจริงๆอ่ะ คืออย่างน้อยก็มันระลึกได้ถึงพื้นฐานนะนะพื้นฐานว่าเออถามแบบนี้ใครนะโอ้โนี่มันมีเราแล้วเนี่ยตอนเนี้เริ่มพบตัวเราแล้วพอเริ่มพบตัวเราปั๊บมันก็จะเป็นความรู้อันใหม่ขึ้นมาก็จะเอ อ, อะไรนะก็เรียกว่าอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆอะเราไม่มีก็ได้อาจจะรู้สึกเป็นอย่างนั้นเราไม่มีก็ได้แต่ที่ต่อไปตอนแรก ค, รคือเรามีมีเราใช่ไหม ตรงนี้หลวงพ่อต้องการชี้ให้เห็นว่าอะไรก็ตามถ้าขาดการพิจารณาเนี่ยมันจะมีความหลงแบบเนี้มีความหลงผิดเข้าใจผิดแล้วพอเข้าใจผิดปั๊บเนี่ยความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาเนี่ยซึ่งเรารู้ไม่ได้เลยเราไม่เห็นเราไม่รู้แต่ถ้ามีการพิจารณานะพิจารณาก็จะจะเห็นขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งถูกรู้เป็นแค่ขันห้าพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อจริงๆก็ ก็คือจริงๆก็ตัวเราไม่มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวเรามันจะมีต่อเมื่อมันหลงไปก็ เ, เรียกว่าเป็นเป็นเผลอเหมือนอาจารย์พุทธาธาตบอกว่าเมื่อเมื่อเผลอผีผีตัวกูก็โผล่ขึ้นมาแต่พอหายเผลอตัวกูก็หายไปตรงนี้แหละหลวงพ่อก็เลยชี้ให้พวกเราได้พิจารณาว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าขาดการพิจารณาเมื่อไหร่ความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้นะว่าตัวตนเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ตัวขึ้นมา ความเป็นตัวตนก็จะหายไปที่มันหายไปเพราะมันเห็นว่าไอ้ตัวตนไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันคือสังขารเพราะเมื่อรู้อย่างนี้มันก็เลยหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนก็เหลือแต่สังขารที่เปลี่ยนสภาพไปตามเหตุตามปัจจัยเออครับหลวงต่อให้ตัวรู้นี้ไม่สาหรับผมีนี้นะคือไม่ได้อยู่ดีก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มัน มันโผล่ขึ้นมาเองนะครับสมว่าเราก็ถูกแล้วแหละเพราะว่าไอ้ความความเผลอเนี่ยมันความระลึกได้พวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเที่ยงเนาะบางทีมันรู้บางทีไม่รู้แต่ว่าถ้ามีความชานาญเนี่ยมันพร้อมที่จะเข้าใจได้ทันทีเลยเช่นมีคนสะกิดนิดหนึ่งบอกว่าเอ้ยแน่นแน่นแนไม่รู้ตัวพอมีคนพูดแค่นี้ปั๊บมันจะกลับมารู้ตัวเป็นทันทีเลยอเพราะฉะนั้นัติครบที่เนี้ยอย่างเนี้ยที่เราคุยกับครูบาอาจารย์ทําไมที่ท่านเก่งไงบางทีพอเราคุยเพลินใช่ไหมหรือว่าเราคุยนอกเรื่องเนี่ย ท่านบอกว่าลืมตัวแล้วแต่ถ้าเรารู้ตัวเป็นครับพอมีคนชี้นิดเดียวแค่นั้นแหละมันจะกลับมาเลยว่าอืมใช่เมื่อกี้ลืมไปหลวงพ่อเล่าตัวอย่างของหลวงพ่อให้ฟังนะเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราขณะหลวงพ่อเนี่ยได้คุยธรรมะก็คุยกับเรื่องโยมแบบนี้เนี่เรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็บอกว่าเออให้รู้ตัวเองให้รู้ตัวเองทีนี้คราวหนึ่งหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์ท่านถามว่าท่านออสเป็นไงปฏิบัติตอนนี้ทีนี้ หลวงพ่อก็ตอบอาจารย์ว่าก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนนั่นแหละโอ้โ oh, หอาจารย์ชี้หน้าเลยบอกนี่เลยนี่เลยหมายความว่าพอหลวงพ่อพูดปั๊บอาจารย์ชี้หน้าเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยพออาจารย์ชี้หน้าปั๊บนึกออกทันทีเลยว่าไอ้ที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นตัวตนจริงจริงคือมีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามที่อาจารย์สอน พออาจารย์ทักอย่างนี้ปั๊บความรู้สึกว่ามันรู้ตัวได้เร็วไงเพราะว่ามันชานานอยู่แล้วแหละถ้ามีอะไรแบบมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดสติเนาะก็เลยระลึกขึ้นมาว่าเออเมื่อกี้เนี่ยตอบแบบเป็นตัวตนแต่ตอนนี้รู้แล้วมันก็สลายวาความเป็นตัวตนแล้วพอต่อจากนั้นอีกนะเออหลวงเอออาจารย์ก็ถามว่าไม่ใช่อาจารย์ไม่ถามหรอกแต่หลวงพ่อตอบเองหลวงพ่อตอบว่าเข้าใจแล้วครับแ็ก็ชี้อีก นี่เลยนี่เลยก็หมายความว่าไอ้ตรงที่หลวงพ่อบอกว่าเข้าใจอ่ะท่านชี้อีกหลวงพ่อชี้อีกหลวงพ่อก็ตื่นคือมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอีกแล้วว่าไอ้เข้าใจนี่เมื่อกี้นี่โหมันเข้าไปยึดเต็มเต็มเลยว่าเราเข้าใจแล้วสุดท้ายก็โอเคก็าเท่ากับว่ารู้ทันทุกครั้งที่ท่านชี้แต่ถ้าท่านไม่ชี้นะมันคือมันแบบว่ามันลืมไปไงมันลืมไปว่าเราเข้าใจแล้วพอท่านชี้ปับ๊บอ๋อมันมีแต่ความเข้าใจไม่ใช่เราเข้าใจ นี่คือเป็นความตื่นไวเพราะอะไรมันมีประสบการณ์แล้วนี่จากการฝึกจากการสอนจากอะไรเนี่ยพอมันเผลอแป๊บหนึ่งก็ตื่นรู้ได้เร็วแต่คนถ้าไม่มีประสบการณ์นะชี้เท่าไหร่บอกว่ายังรู้ไม่ตัวยังไม่รู้ตัวตัวก็จะเถียงบอกนี่ไงรู้อยู่รู้อยู่ไอ้ยิ่งเถียงนั่นแหละยิ่งยิ่งไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความละเอียดอ่อนต้องอาศัยประสบการณ์จากการที่เออมีคนมาทักมีคนมาบอกนะพอมาบอกเสร็จแล้วบอกยิ่งบอกครั้งแรกนี่นะ พอบอกครั้งแรกปั๊บสมมติว่าเราท่านบอกว่านี่ยังมีตัวตนอยู่เลยนะสมมุติว่าเราไม่เข้าใจว่าความหมายของท่านมีตัวตนอยู่เลยคืออะไรท่านอาจจะขยายความว่าก็ท่านเนี่ยไปเรียนอะไรมาเนี่ยมีความรู้เยอะยักษมากมายเนี่ยนั่นแหละท่านเป็นผู้รู้พอเป็นแค่นี้ปั๊บมันเก็ตเลยบอกอ๋อเราไปยึดความ ร, รู้นะมาเป็นเราเลยกลายเป็นเราผู้รู้พออาจารย์ชี้บอกแค่เนี้ยเลยเข้าใจเลยวว่าโอ้โหนี่ถ้าอาจารย์ไม่ชี้บอกนะ ยึดผู้รู้จนข้ามภข้ามชาติเลยพอเป็นแค่นี้เสร็จมันก็ปล่อยวางผู้รู้เพราะผู้รู้คือสังขารไม่ใช่เรานี่ได้ประสบการณ์ครั้งแรกพอครั้งที่สองง่ายมากแล้วคุยไปคุยมายิ่งเล่าเรื่องรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ปับ๊บถ้าอาจารย์มองหน้านี่เราหยุดแล้วไม่กล้าไปแล้วเพราะอาจารย์รู้อยู่ว่าเรากาลังเป็นผู้รู้ก็หยุดเสียเพราะว่ามันอวดตัวเกินมันอวดรู้เกิน ก็หยุดเห็นไหมมันรู้เท่าทันนี่ยิ่งคุยมากยิ่งโม้มากอัไรแบบมันเป็นผู้รู้ไปหมดเลยผู้รู้อัตตาทั้งหมดแหละอเออเพราะนั้นต้องรู้เท่าทันว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยนี่คือเล่าประสบการณ์แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับโยมมากแล้วต่อไปเนี่ยโยมจะไวไวคือรู้ตัวเองก็ไวรู้คนอื่นก็ไวคนไหนพูดเยอะๆเนี่ยเริ่มรู้คนอื่นแล้วแล้วก็พอรู้คนอื่นเสร็จรก็เห็นตัวเองไปโทษคนอื่นอาก็รู้ว่าเอา ก, กูก็ไปโทษมึงก็เลยเห็นตัวเองอย่างเงี้ย การเคลียร์ไหมคือสำหรับผมก็เคลียร์เคลียร์มากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือต้องฝึกบ่อยๆนะครับแต่กับมันฝึกแล้วมันมันจะออโต้ฮะัหลงหลวงพ่อครับคือก็จะรู้พอพูดพูดรู้ตัวแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยฮะพอดีหายใจตึกก็ก็จะรู้ตัวละแบบว่าเออสูดลมหายใจป๊อออะเรารู้นะนะอะไรเงี้ยฮะแต่รู้คือเรารู้ด้วยตัวเองเราม่จะไม่บอกใครนะครับว่าอืมอะไรเงี้ยหลงไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะเพราะไอการการ ก็เรียกว่าหลงลืมตรงนี้มันที่ยิบไงมันเป็นอวิชาคือคือมันแต่ว่าถ้าถ้าหลงแล้วรู้เนี่ยไม่มีปัญหาคือพอหลงปั๊บมันรู้เลยแต่ถ้าหลงยาวเนี่ยตรงนี้มันมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันเป็นอวิชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขาราสังขาราเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณไปนู่นเลยแต่ถ้ารู้ทันปั๊บมันก็ก็เรียกว่าเป็นวิชามันก็จะดับเออจะดับในไอ้หัวขบวนของปฏิจจสมุปบาทนะเออมันเป็นวิชาขึ้นมาพอเป็นวิชาเสร็จแล้วตัวอื่นดับหมดเงี้ เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลยไอเรื่องหลงแล้วรู้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นมันละเอียดถ้ามีคนสกิดนิดเดียวแล้วมันจะหลุดเพาะหลุดพาะแต่ถ้าไม่มีคน ส, สกิดบางทีมันก็โอเคแหละมันมันหลงแต่ไม่รู้เออทีนี้ก็อาจอย่างเมื่อกิดของยงปิดใช่ไหมตอนแรกเนาะไม่รู้หรอกว่า ว่าหลงไม่รู้แต่พอหลวงพอ่อจะเกิดปั๊บใครเข้าห้องเออ<ช>มันตื่นเลย<ช>มันเริ่มเอออากาศอะไรอย่างเงี้ยพรู้ปับเลยฮะจะจะพักหลังนี่สนุกกับการที่จะมารู้ตัวนะฮะตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่เชื่อว่าหลวงพ่อว่าไม่สนุกนะคือ<ม>สนุกยังไงอะไรเง<ช>ี้ยต่อหลังมาทำไปเรื่อเรื่อเออมันสนุกจริงๆเพราะมันคืออารมณ์มันจะเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเรารู้ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดมันจะสนุกกับมันว่าเออเราเรารู้นะอะไรเงี้ยก็แค่รู้แหละครับอแต่หลวงพ่อต่อยนิดนึงนะเรื่องเหล่านี้นะลองไป สมมุติว่าคนถ้าไม่รู้ใจกันนะสมมุติว่าเราไปพูดอย่างนี้บอกว่าเนี่ยยังมีตัวตนอยู่เลยนะโอ้โ oh หเลือดขึ้นหน้าเลยนะเลือดขึ้นหน้าทำไมอะเพราะว่าไปว่าเขามีตัวตนไงแล้วก็รู้ไม่ทัน <c oughs> ว่าจริงๆอะเขาหลงไปแล้วเขาหลงไปเป็นตัวเป็นตนตแต่ขนาดเราบอกว่ามีตัวตนแต่เขายังเถียงว่าเขาไม่มีไอตัวที่เถียงว่าเราไม่มีตัวตนนั่นแหละไอตัวเราเป้งเลย โอ้โเนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องนี้มันจะรู้เร็วปั๊บพอเถียงปั๊บมันรู้เลยว่าอ่านี่เรารักษาตัวเองเราคุ้มครองตัวเองแล้วไม่อยากให้คนอื่นดูถูกเนี่ยตรงนี้เขตัวเต็มเออตัวนรอยเซอยู่แล้วไงแต่ถ้ามีประสบการณ์มันจะรู้ทันขึ้นว่าโอการที่เถียงเขาหรือว่าเอาเหตุผลมาอ้างมาสนับสนุนนั่นมันเป็นเหตุผลเพื่อป้องกันตัวเองทั้งนั้นเลย แต่ถ้าคนมีประสบการณ์น่ยมันจะรู้เร็วปั๊บพอเอาเหตุผลมาคุ้มครองตัวเองมันจะรู้เลย ว, ว่าอ่านี่นี่นี่ป้องกันตัวเองอีกแล้วแล้วมันก็จะรู้ทันแล้วก็มันอาจจะเพลาหยุดลงก็คือไม่ต้องเถียงคือไม่ต้องเถียงเพราะยิ่งเถียงมันก็เป็นตัวตนใช่ไหมล่ะอืมใช่ครับง่าจะตายไปเขาก็สังเกตจากเอ่อวันวันก่อนๆที่ผ่านมานะฮะก็หลวงพ่อถามเลยเขบอกว่าใครรู้ผมรู้เนี่ยตผมตัวผมรู้เนี่ยผู้แบบเข้าใจเลยครับว่า เขาเขามีตัวตนนะแต่เขาไม่ทราบว่าตัวเขากำลังมีตัวมีอาการมีตัวตนอยู่แม้กระทั่งตัวเราเองอะบางครั้งอ่ะที่ที่มันเผลอไปอะนะแต่มันต้องเผลอก่อนนะจึงรู้นะมันคือมันต้องต้องเผลอคือเผลอรสักหน่อยหรืออาจจะเผลอนานก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามันมีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะรู้เร็วขึ้นว่าโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเราอ้างเหตุผลเพื่อเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาตัวเองทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยก็จริงเหรอไอ้จริงเราเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้รู้เร็วมากขึ้น ครับแล้วเวลาเวลาคือือถ้ามีอารมณ์คนที่มีอารมณ์เยอะๆอย่างอารมณ์โกรธเกลียรักชังอะไรนี่นะฮะอันนี้เป็นตัวผมว่าเป็นตัวตัวทดสอบอย่างดีเลยนะคือคือถ้าทําไปแล้วจะรู้ว่าถ้ามีอารมณ์แตกต่างกันอารมณ์อย่างไรที่อย่างเนี่ยฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นเคสสตี้นะฮะมันทําให้เราฝึกแล้วเอรู้ตัวได้เร็วขึ้นนมก็แบบโวยโกรธอะไรก็อย่างี้สิแอย่างเนี้ยยงเกลียนะสว่าหลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสมมติว่าคุยเรื่องความไม่มีตัวตนนะ ว่อธิบายได้เป็นอย่างดีเนาะถ้าเราพูดคําเดียวบอกว่าผู้พูดยังมีตัวตนเต็มที่เรา ย, ยังมีอัตราเต็มเปี่ยมเลยนะแบบสูงสุดเลยครับแล้วเขาจะรีบปฏิเสธพลวันมุ่นไปหมดเลยอ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้โอ้นั่นแหละเดีนั้นแล้วก็เป็นตัวตนที่เสริมขึ้นมาอีกให้หนักเข้าไปอีกมันอยู่ที่สติรู้ทันหรือไม่ถ้ามีสติรู้ทันก็คือโอเคมันต้องหลงไปเป็นตัวตนก่อนแล้วก็รู้ทันก็รู้เร็วแล้วก็ ก็จะนิ่งเงียบไปก็คือก็คือไม่ต้องเอาเหตุผลมาคุ้มครองตัวเองมากหรอกคือจะหยุดเลยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยที่บอกว่าเธาไม่ต้องใช่เหตุผลเธอยิ่งเหตุผลเป็นตักกะเราใหมใช่ก็ตกะเยอะก็ใช่เป็นเป็นตัวตนนะฮะแล้วก็มีผู้ก็เรงนะผู้ลสิ่งที่ถูกถูกรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีแบบเนี่ยคเป็นตักะนี่คือเป็นตัวตนหมดเลยฮะเท่าที่เท่าที่ผมทราบนะครับแล้วอธิบายที่ครับแล้วการเห็นตัวตนเนี่ยนี่คือประโยชน์สูงสุดนะ คนที่ไม่เห็นตัวตนนี่แหละยิ่งเนิ่นช้าแต่ถ้าเห็นว่ามีตัวตนนี่คือทางของมันเลยนะมันต้องเห็นตัวตนก่อนถึงจะผ่านตัวตนได้เพราะว่าถ้าไม่เห็นตัวตนมันก็กว่าว่ามีตัวตนแต่ไม่เห็นแต่ถ้าเห็นมันก็จะรู้ว่าตัวตนเนี่ยจริงๆมันก็คือสังขารเห็นไหมมันจะเห็นเป็นสังขารเลยแต่ถ้าไม่เห็นมันก็เป็นตัวตนชนิดที่แบบมองไม่เห็นตรงนี้แหละมันเป็นความละเอียดซึ่ง ไม่ค่อยมีคนสอนกันมากหรอกว่าส่วนมากก็สอนเรื่องความรู้พอความรู้เสร็จแล้วเราก็ได้รู้เราก็มีความรู้เราก็เก่งในธรรมะเรารู้แจ้งในเรื่องใจลักษณแต่หารู้ไม่ว่าไอเราเรารู้นั่นแหละนั่นแหละไอตัวตนแต่ถ้ามีสติกลับมารู้ปั๊บอ๋อไอผู้รู้นี่โถมึงก็เป็นสังขารเหมือนกันแล้วว่าเห็นไหมเกิดดับเหมือนกันเพราะฉนั้นไม่ต้องใหญ่จากไหนหรอกมันตายหมดอ่ะคือมันอยู่ภายใต้กฎตจลักษหมด จริงครผมพอผมสังเกตนะคนที่เรียนสืสูงนะผมสังเกตก็ไม่ได้ว่าคนที่เรียนสื่อสูงนะพวก p ี d อสดีหรืออะไรก็ตามที่เรียนสื่อสูงนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะสอนยากเพราะอัตราท่านเหล่านั้นสูงฮะผมสังเกตจากคนที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านนะฮะจากต่างจังหวัดเนี่ยเวลาสอนเนี่ยหรืออะไรอธิบายเนี่ยเขาจะฟังฟังแล้วเขาก็ไม่มีความเห็นนะฮะอันเนี่ยแล้วเขาก็รู้ปฏิบัติได้ง่ายผมก็รู้สึกว่าคนที่มีอย่างเนี้ยมัน คนที่ไม่ไม่ทราบเป็นพ่ออะไรนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเออมีมียังมียังมีกิเลสนะฮะมีอัตตาเยอะเพราะอัตตาเยอะเวลาให้ให้มองเห็นเนี่ยค่อนข้างจะยากนะฮะผมว่าก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทิ้งทิ้งความรู้ทางโลกไปก่อนผมคิดอย่างนี้นะครับทางธรรมเรามันไม่เหมือนกันเรามันต้องแยกแยกเรื่องแยกเรื่องเรื่องโลกเก่งไปเก็เก่งได้เพราะว่าถือว่าคอยไม่ว่าไม่ว่าแต่ว่าต้องแยกให้เป็นว่าไอ้นั้นคือเรื่องของทางโลกแต่เรื่องของทางธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของ ปล่อยวางไม่ว่ารู้ขนาดไหนก็ไม่ยึดถือนะจะเก่งขนาดไหนก็ไม่ยึดถือเพราะว่าพุทธเจ้าสอนเพื่อความไม่ยึดถือคือความปล่อยวางสถานเดียวแต่ทีนี้มันความไม่เห็นนี่แหละเพราะไม่รู้นี่แหละจึงวางไม่เป็นวางไม่ถูกแต่ถ้ารู้แล้วมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะนั้นทุกอย่างที่ที่ที่มันยังหลงอยู่หรือว่ามันยึดถือก็เพราะยังไม่เห็นยังไม่รู้ที่เขาเรียกว่าวิชานี่แหละไม่เห็น ะะแล้วก็อันนี้เราเราพูดถึงนะัดจริงๆอะหลวงพ่อผ่านมาหมดแล้วไอ้เรื่องความไม่เห็นตรงนี้อย่างเราเรียนธรร ม, มะเนี่ยเราเป็นเรียนรุ่นพี่เราเรียนมาก่อนเราเรียนมานานแล้วเจอคนรุ่นน้องมาพอคุยกันปรับความรู้สึกว่าเราเก่งกว่าเขาเรารู้กว่าเขาเห็นไหมมันมีความยึดถือว่าเป็นเราเนาะแต่พอมีประสบการณ์รมีครูบาอาจารย์ชี้บอกปับ๊บมันรู้เท่าทันมากขึ้นว่ะโหที่ผ่านมานี่เนาะเราอาหังการมามังการมากๆเลยไปกดทับไปกดว่าเราร<ๆ>เก่งกว่าเขาเรารู้กว่าเขาเป็นเราเราเราเราเรา แต่ไม่เห็นเราไงจริงก็เหมือนกับสดไปก่อนพระพุทธเจ้าก็มีท่านอกุณโฉพทิระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหลวงพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่ามาละพักเถรบาลเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมฮะก็ลักษณะดีผมคิดว่าฮะนั่นก็คือคือเก่งแต่ในตำลาอะไรอย่างเงี้ยครับพอเอาเข้าจริงๆอ่ะปฏิบัติไม่ได้เลยอย่าเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบนั้นล่ะคิดแบบนั้นคือจริงๆแล้วล่ะมัน จริงๆอเก่งได้นะแต่อย่ายึดถือคือไอ้รู้เท่าคือเก่งได้ไม่มีไม่มีขอบเขตอะใครจะเก่งได้เท่าไหร่ก็เก่งไปแต่ว่าต้องต้องไม่ยึดถือว่าเราเก่งเพราะเราไม่มีมันมีแต่ความเก่งใช่ไหมยิ่งเรียนมากมันก็ต้องเก่งเป็นเหตุปัจจัยให้รู้ให้มากไอ้รู้มากแต่สิ่งที่ไม่ลืมคือว่าอ๋ออย่าไปหลงยึดถือสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นเราให้มันเก่งไปแบบเก้อเก้อไปอย่างนั้นแหละอืม จริงครับรวมไปถึงเนี่ยรวมถึงความป่วยความไม่สบายที่ประสบกับพวกเรานี่นะเออที่มันป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเนี่ยไอ้นี่ก็คือเป็นธรรมชาติเป็นสังขารเหมือนกันอย่าไปหลงยึดว่ามันเป็นเราเนี่ยตรงนี้ต้องรู้ให้ทันต้องเห็นเนี่ยมันต้องเกิดการเห็นไงทีนี้วิธีการเห็นหรือวิธีการรู้มันมาจากเริ่มจากสติเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่มีทางเลยต้องฝึกให้รู้บ่อยๆจนรู้จนกระทั่งว่ามันมันมันชํานาญในการรู้ใช่ไหม จะเจ็บจะปวดก็รู้<ช>แล้วว่าเออมันเป็นสังขารจะจะอะไรจะหลงจะลืมมันก็เป็นสังขารนะคือมันเข้าใจหมดเลยว่าทุกอย่างเป็นสังขารหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพัฒน า, าคือส ต, ติอืส ต, ติคุ ย, ยครอย<า>เวลาเวลาจะละทุกโลกนี้ไปมันจะได้สละได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่ทุรนทุรายกับมันนะฮะหรือว่ากําลังเจ็บปวดอะไรก็จะไม่ทุรนทุรายคือคนเราเกิดแก่เจ็บตายนะหนีไม่พ้นนะทางโลกนะครับแต่นี้เราทําง่ายจึงจะทำให้อย่าง จากไปโดยที่เราไม่สติมีความไม่รู้แล้วก็อยากแบบไม่ทุรนทุรนทบายนะฮะเดี๋ยวเราหลวงก็สัมภาษณ์โ <ๆ S 1> ยมน่อยๆบ้างวันนี้เข้าห้องขับกี่กี่ครั้งโยมสองครั้งค่ะอแต่เนี้ยมีประสบการณ์แล้วเข้าใจหมดแล้วถึงจะตอบอย่างไงก็แต่มันเห็นภายในว่าเออก็ตอบแบบสมมุติสมมุติแต่มันจะเข้าใจแล้ว ว, ว่าไอเข้าห้องนู้นจริงๆอ่ะเราไม่ได้เข้าตรงไหนหรอกเราอยู่นอกจอด้วยต่างหากเนี่ยถ้าถ้ามีการพิจารณาเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ามันเห็นไง แต่ถ้าพอเราเพลินเนาะเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปในห้องจริงๆแต่จริงอะ่ะห้องก็ไม่มีแล้วตัวเราก็ไม่มีแต่เมื่อไม่มีการพิจารณาเห็นไหมเรามันเหมือนกับว่ามันมีห้องจริงๆไงห้องขลับจริงๆแล้วตัวเราอะ่ะแต่จริงมันเป็นรูปโปรไฟล์เนาะอ๋ดันไปหลงรูปยึดรูปโปรไฟล์ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราโอ้ยเนี่ย <c oughs> รูปแมวเป็นเราเนี่ยบางทีค่ะแต่ถ้าพิจารณาเป็นลูกทาสเลยค่ะวันนี้หน่ยนยมีเกมค่ะเป็นเกมที่ ให้เราเอพูดถึงตอนนั้นหลวงพ่อพูดมาหล า, หลายวันเนี่ยนะคะหลวงพ่อพูดถึงความรู้ที่ไม่ปรากฏวันนี้แหะค่ะหนุมๆมีเกมให้สำหรับทุกท่านเลยวันนี้เห็นพอดีคนน้อยนะคะเป็นเกมที่เพิ่งคิดได้ไม่นานนี่คะ่ะตอนกําลังสอนนักเรียนนะคะก็เลยคิดเกมขึ้นมาเกมหนึ่งได้ะะเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อขอแป๊บหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าประเด็นดที่หลวงพ่อได้อธิบายคุยกับโยอมปริศต์เนาะคนอื่นๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคนไหนที่ เข้าใจเพิ่มหรือว่าฟังแล้วก็งงการุนายกมือมาด้วยเพื่อจะได้พูดคุยกันเดี๋ยวนูๆเรียนเชิญทุกคนเลยได้ไหมคะพอดีว่าอย่างนี้คะ่ะ เ, เกมเนี้ยคะ่ะเราต้องให้ความร่วมมือกับทุกคนเลยคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาบนพาน e l เรียนเชิญเลยนะคะเพราะว่า มันจะเป็นเขาเรียกว่าความรู้หมู่นะคะมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วจะได้รับรู้ถึงความรู้ตรงเนี้ยพร้อมๆกันค่ะเกี่ยวกวับเรื่องตรงนี้ด้วยค่ะเรื่องหัวข้อที่หลวงพ่อกำลังพูดถึงด้วยนะคะ ค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญแต่ว่าตอบตอบในประเด็นที่หลวงพ่อคุยไปผ <C> ่ <methodology> านไปก่อน <C> ถูก <okay. S 2> ต้องค่ะ <C> <C> ถูก <C> ต้องเลยคะ่ะเรียนเชิญนะคะวันนี้เราจะมีเกม เ, เล่นพร้อมกันเลยค่ะนะคะโดยการแค่กระพิบไมค์ค่ะถ้าถ้าเ อ, อ่อถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าจะหนูหนยจะดูจากการกระพิบไมค์นะคะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะคะ หนูนุ้ย แ, แค่จะดูต้องการดูเรื่องแค่กระพริบไหมหรือไม่กระพริบไหมหนูนุ้ยไม่ต้องการถามนะคะแค่กระพริบไหมเพราะว่าอยู่ข้างล่างจะกระพริบไหมไม่ได้นะคะอ่าถ้าขึ้นมาสองท่านก็อ่อย่างนั้นเราเล่นกันสี่คนก็ได้คะ่ะนะคะเอะะให้หลวงพ่อเล่นด้วยคะ่ะแล้วก็คุณกฤิเล่นด้วยอ่ะนะคะอะทีนี้หนูนุ้มีคําถามนะคะรวมถึงอห น, นูอาจจะให้หลวงพ่อ ปิดใหม่ด้วยค่ะสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวหนูจะตั้งคำถามนะค ะ, ะคำถามนะคะก็คือมีใครบ้างค่ะที่รู้จักเรื่องความรู้ที่ไม่ปรากฏบ้างให้กระพริบใหม่ค่ ะ, ะคือรู้จักแล้วให้กระพริบใหม่ค่ะกระพริบคือกดใช่ไหมเนี่ยกดซ้ำๆค่ะอ๋อเปิดกระพริบใช่ไหมความหมายเนาะใช่ค่ะกะ็นี่ค่ะอ่า ให้กระพิดใหม่ให้หนุ่ยนุยดูค่ะ ใ, น ใ, นใครที่รู้สึกว่าตัวเองรู้จักแล้วความ อ, อความรู้ที่ไม่ปรากฏให้กระพิดใหม่อ่ะและผู้ใดที่คิดว่ายังไม่รู้จักความรู้ที่ไม่ปรากฏนี้ให้กระพิดใหม่ค่ะอ่าและมีใครบ้างที่แบบเออไม่แน่ใจ จะรู้จักก็ไม่เชิงจะไม่รู้จักก็ไม่เชิงกระพิดใหม่ค่ะอ่าดีมากเลยค่ะดูนะคะตังเกตบไหมคะว่าอันแรกอยู่นีถามว่ามีใครบ้างที่รู้จักความรู้ที่ไม่ปรากฏนะคะบางท่านก็ไม่ไม่กระพิดบางท่านก็กระพิดผู้นั้นนะคะก็ได้รู้แล้วค่ะว่าอ๋อฉันเน่ยรู้จักนะคะฉันเนี่ยรู้จัก ว่าฉันน่ะรู้จักความรู้ที่ไม่ปรากฏและท่านใดก็ตามที่กระพิบหมายว่าฉันน <iences and S 1> <erman configure S 2> ่ะยังไม่รู้จักความรู้ที่ไม่ปรากฏอันนั้นก็รู้เหมือนกันค่ะรู้อันเดียวกันเลยว่าฉันน่ะก็ไม่รู้เนี่ยคือความรู้ที่เรารู้ว่าเราไม่รู้นะคะส่วนคนที่ยังไม่แน่ใจเอ๊ะฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าฉันรู้หรือเปล่าอันนั้นก็ถูกอีกเหมือนกันค่ะนะคะ นั่นก็เป็นความรู้อันเดียวกันค่ะอันความรู้ที่ไม่ปรากฏเนี่ยนะคะที่บอกว่าฉันไม่แน่ใจฉันจะรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนั้นก็เป็นความรู้ที่ไปรู้ว่าเออฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งสาสามสิ่งเนี่ยคะ่ะทั้งรู้ทั้งไม่รู้และทั้งไม่แน่ใจมันมีความรู้อันนั้นเนี่ยไปเห็นนะคะว่าตัวเราเนี่ย มีทั้งรู้บางท่านรู้ด้วยว่าไม่รู้แล้วก็บางท่านรู้ไปอีกว่าเออไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้ทั้งสามอันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ละค่ะพอจะเข้าใจไหมคะอันนี้ค่ะหนุ่ยก็อสาธุยมยมหน่่ยหนุ่ย น, นะสุดยอดค่ะตอนทีนี้คนอื่นลองดูดิว่ายังไงพลาดเลยเข้าใจไหมคะ อาจารย์ครับก็เกือทุกคนรู้หมดนะครับใช่ค่ะเนี่แหละค่ะหนูอยากให้ขึ้นมาถ้ามาเล่นพร้อมกันน่ะรู้กันหมดนะฮะรู้หมดค่ะรขนาดคนไม่รู้ยังรู้เลยค่ะเห็นไหมคะยังถูกเลยฮะรู้ทั้โลกก็รู้ทั้งทางตรงนี้ค่ะถ้าท่านไหนยังไม่เข้าใจถามได้เลยนะคะหรือว่าใช้เวลาเงียบๆก่อนก็ได้ค่ะ ลองทบทวนเอ๊ะรู้ยังเอ๊ะทาไมฉันไม่รู้แล้วทําไมฉันถึงรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเอ๊ะฉันยังไม่แน่ใจเออแล้วทําไมฉันรู้ว่าฉันไม่แน่ใจเนี่ยเออเนี่ยค่ะถูกหมดนะครับค่ะนะรู้หมดทุกคนนะฮะครับค่ะเป็นภาษพื้นนะฮะแต่ทุกคนมีมีมีรู้อยู่อะฮะครับได้ค่ะไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรเยอะค่ะแค่สงสัยไอ้คาตอบแค่เมื่อกี้ก็พอแล้วค่ะ ะ ค, ะคือคนเราเห็นได้เลยนะคะพอเจอแบบนี้ <c oughs> มันมันเหมือนกับว่ามันมันอดไม่ได้ที่จะไปคิดทําความเข้าใจแต่จริงเราคิดได้แหละแต่ว่าเขาก็คิดพอเขา้าพอคิดเสร็จเนี่ยมันเข้าไปในความคิดเนาะ ก, ก็เลยแต่ไม่รู้เราไงอแต่จริงอ่ะมันมันรู้แจ่มแจ้งอยู่แล้วแหละว่าเราเป็นยังไงเมื่อกี้เนะี่ยไก่กดเราไม่กดมันก็รู้เราว่าเราไม่กดเรากดมันก็รู้ว่าเรากด หรือเราลังเลมันก็รู้ว่าเราลังเลเราจะเอายังไงเนี่ยมันรู้เรา <คะ S 1> หมดเลยหรือว่าบางทีมันคิดว่าเอียโยมหนุ่ยนุยจะมาอะไรมันมันวุ่นพันละวันไปหมดแต่มันก็รู้เราหมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอรู้ตามธรรมชาติโอ้โหมันโคตรรู้เลยค่ะทีนี้เอายม ค, คนไหนไม่เข้าใจเออลองดูดิค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยนําพามาได้ถึง ถึงคำถามด้วยค่ะถ้าท่านใดยังไม่มั่นใจนะคะหรือว่าเอ้ย hey, ยังไม่เข้าใจแต่ว่ามันก็รู้ยังไงก็ไม่รู้แปลกๆอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาคุยกันได้นะคะค่ะถ้าสงสัยก็ถามได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ไม่สงสัยก็โอเคนะคะเดี๋ยวให้หลวงพ่อเออ อธิบายต่อเลยก็ได้ค่ะนะคะจริงพวกนี้เนี่ยนี่ก็เป็นประสบการณ์นะ ท, ที่ทดสอบอย่างนี้คือคก่อนหน้าเนี้ยเราก็ไม่เคยมีความรู้แบบนี้ใช่ไหมล่ะพอไม่มีความรู้เนี่ยเราก็พอเจอปัญหาใหม่แรกๆเราก็งงเนี่ยเพราะว่ามันความคิดมันออกหน้าไปหมดแล้วอ่ะเนาะออกหน้าเอางงะอะไรจะตึกกัคิดแบบอุตลุดเลยฮะแต่ทีนี้พอมีการฉเฉลยมีการบอกว่าอ๋อไอ้ไยสังขารมันก็ปรุงแต่งเนาะตั้งคิดตั้งนึกวุ่นวายไปหมด ไอ้รู้นู้น่ะมันก็เห็นเราอ่ะแหละว่าเรายุกยิบยุกยิกยุกยิบยกอะไรเนี่ยสารพัดอ่ะมันจะเห็นเราเพราะนั้นไอ้รู้ที่มันรู้เราอ่ะนี่ไอ้ที่เรายุกยึกไอ้เราลังเลสงสัยเราจะตอบยังไงดีนั่นแหละไอ้ตัวนู้นแหละมันรู้แต่มันอะไม่ได้ยุกยิบกังเราหรอกมันไม่ได้คิดมากหรอกมันได้แต่รู้เราอ่ะว่าเรามั่วเองเนี่ยได้ประสบการณ์แล้วคนเนี้ยต่อไปประสบการณ์เนี้ยมันสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ ได้ทันท่วงทีเขาเรียกว่ามีปฏิพันธ์ไหวพริบเวลาคนอื่นมาเล่นเกมแบบเนี้ยหมูหมูแล้วรู้ทันหมดแล้วใช่ไหมค่ะรู้ทันก็เรียกว่ารู้ทันเมื่อกี้ทุกคนได้เต็มสิบครบทุกคนเลยค่ะตบมือด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวคจะคุยอะไรไหมครับค่ะเลี้ยงเชิญเลยนะคะมันจะได้น้องผมหลวงพ่เออธิบายมาสามรอบเนี่ยต้องเช้ากนะฮะทีนี้สามรอบเดี๋ยวหลวงพ่อพูดถึงห้อง้อคลับเฮาเพิ่มเติมนะ ถ้าขาดการพิจารณาเนี่ยโยมมองอย่างนี้เลยนะมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในห้องคลับเนาะแล้วตัวเราอยู่ในห้องคลับพอห้องคลับเปิดตัวเราก็เข้าไปในห้องคลับแล้วก็พอห้องคลับปิดตัวเราก็ออกแล้วตัวเราก็วิ่งไปอีกห้องหนึ่งเนาะมันวันหนึ่งแล้ววิ่งตั้งหลายห้องอันเนี้ยถ้าขาดการพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีตัวเราจริงๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องคลับจริงๆแต่ถ้ามีการพิจารณาโยมก็จะเห็นว่า ไอ้ตัวเราที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปไหนหรอกมันก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่กับที่เนาะแล้วก็ตัวเราก็เนี่ยเป็นผู้เล่นเป็นประโยช์เป็นผู้เล่นอ่ะเป็นผู้เล่นเป็นผู้พูด ผ, ผู้คยุยอ่ะตรงเนี้อย่างน้อยก็ทําให้ความหลงผิดก็หลุดมาเปล่อหนึ่งแล้วว่าเออเราเนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าห้องครับเพราะเรานั่งอยู่เฉยๆที่บ้านเนาะอันเนี้ยก็เท่ากับว่าอ๋อวันเนี้ยเราตัวเราจริงๆอ่ะไม่ได้เข้าห้องครับหรอก แต่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันอยู่ที่บ้านอแต่ทีนี้ถ้าพิจารณาลึกลงไปอีกว่าไอ้ตัวเราเป็นที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแค่สังขารใช่ไหมเออมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จร right. ิงนะแล้วก็ไอ้ตัวที่แท้จริงเนี่ยถ้าเป็นตัวเราที่แท้จริงอ่ะถ้าจริงนะถ้าจริงจริงจรมันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะพูดแบบในทางสมมุติในเรื่องของความพ้นทุกข์เนี่ยไอ้ตัวเราที่พ้นทุก์เนี่ยก็คือไอ้ตัวที่มารู้ไอ้ตัวเรานี่แหละ อยเมื่อกี้นั่นแหละไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละไอ้นั่นแหละคือตัวเราที่แท้จริงแท้จริงแบบสมมตินายโยมอย่างงอีกนะคือถ้าจะสมมติกันว่าตัวเราที่แท้จ <Lil> ร <shipping> <Mikey i> like right. ิงตัวเราที่ไม่ทุกเลยเนี่ยก็คือตัวที่รู้เราเราที่นั่งเล่นแชทอยู่เนี่ยนั่งเข้าห้องพับอยู่เนี่ยทําไมเรียกว่าไอ้ตัวที่รู้เราเป็นตัวที่แท้จริงเพราะว่าเป็นตัวที่มันไม่มีตัวเป็นตัวที่ไม่ปรากฏตัวเป็นตัวที่มันไม่มีอาการไม่มีกิริยาใดๆทั้งหมดเลยนะส่วน ไอ้ตัวเราที่นั่งอยู่หน้าคอมหน้ามือถือเนี่ยไอ้ตัวเนี้มันเป็นตัวปลอมเป็นตัวที่ตายนะเป็นตัวที่ตายเพราะฉะนั้นเมื่อตัวจริงมารู้ตัวตายเนี่ยเรื่องอะไรตัวจริงมายึดตัวตายถ้าไปยึดมันก็ตายไปกับมันใช่ไหมแต่ถ้าไม่ยึดไอ้ตัวตายมันก็ตายไปฝ่ายเดียวแต่ไอ้ตัวจริงอ่ะมันไม่ได้ตายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยก็ต้องเป็นตัวไม่ตายตัวไม่ตายก็คือตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนั่นแหละที่เห็นตัวตาย แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างไม่ยากแล้วแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็เพียนมีสติแล้วก็จะเห็นในตัวตายเดินได้นั่งได้นอนได้ไปทำนู่นทานี่ได้หมดอันนี้ตัวตายหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตัวตายแจมแจ้งแจมแจ้งแล้วเรื่องอะไรไปยึดตัวตายให้มันตายกับมันใช่ไหมก็ได้แต่เห็นตายก็ตายไปประมาณอย่างนี้